เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2548ตรงกับวันจันทร์แรม15ค่ำเดือน6เป็นวันพระวันธรรมั ส, สวนะวันฟังธรรม เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธามีความเชื่อมัน่นในพระพุทธศาสนาได้มาที่วัดเพื่อประกอบคุณงามความดีด้วยการทาบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทน เพราะรู้ว่าการบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งคุณและประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้อื่นที่เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศฟังธรรมและการบำเพ็ญสมถวิปัสสนาภาวนา ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นแก่นของภาษาศาสนาเลยทีเดียวและเป็นการปฏิบัติที่จะให้ผลให้ประโยชน์อย่างมากมายก่ายกองยิ่งกว่าการกระทําการประพุติอย่างอื่นดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรมองข้าม การฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็การบําเพ็ญจิตภาวนามีสมรรถภ า, าวนาทําจิตใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทําจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายการบําเพ็ญจิตภาวนานั้นได้กล่าวไว้ในข่าวที่แล้วว่าจําเป็นจะต้องมีสถานที่สงบสงัด เพื่อจะทําให้การบําเพ็ญนั้นเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นด้วยความง่ายดายที่เรียกว่ากายวิเวกเพื่อจิตวิเวกกายวิเวกก็หมายถึงสถานที่สงบสงัดทุกคนตั้งอยู่ในความสงบเมื่อสถานที่เป็นสถานที่สงบแล้วเวลาบำเพ็ญสมถภ า, ภาวนาเพื่อความสงบสุขของจิตใจก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายดาย กลายเป็นจิตวิเวกไปคือจิตก็จะสงบสงัดตามไปด้วยนอกจากการที่ได้อยู่ในสถานที่สงบสงัดเช่นตามป่าตามเขาหรือตามวัดวาอารามที่มีความสงบร่มเย็นแล้วผู้ที่ปฏิบัตินั้นยังจะต้องมีความสังความสำรวมในในศีลคือในกายวาจาเรียกว่าศีลสังวร แล้วมีความสำรวมในอินรีทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเอินซีสังวรนเพื่อเป็นการช่วยทำให้จิตนั้นเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นเวลาที่เรามาวัดมาอยู่ประพฤติธปฏิบัติธรรมเราจึงควรที่จะเจริญศีลสังวรและเอินซีสังวร ควบคู่ไปกับ ก, บการบําเพ็ญจิตตภาวนาศีลสังวรก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานกันคือการละเว้นจากการกระทําทางกายและวาจาที่จะสร้างความฟุ้งซ่านสร้างความวุ่นวายสร้างความร้อนให้กับจิตใจนะได้แก่หนึ่งการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. ละเว้นจากการ ลักทรัพย์สละเว้นจากการาาการประพฤติผิดในกลามถ้าเป็นผู้ที่บำเพ็ญจิตภาวนาก็ควรที่จะละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์เลยทีเดียวคือให้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ 4. ให้ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ให้พูดแต่ความจริงห้าให้ละเว้นจากการพูดคำหยาบคือไม่พูดคำหยาบให้พูดคำที่สุภาพเรียบร้อยฟังแล้วสบายอกสบายใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่อมาโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อหกก็คือ ให้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออย่านั่งคุยกันอย่าจับกลุ่มคุยกันคุกคลีกันสมาคมกันแล้วก็เอาเรื่องของชาวบ้านมาพูดนินทาวิพากษ์วิจาร์กันต่างๆนานาอย่างนี้เป็นการเสียเวลามเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะพูดอยากจะคุยกันก็ให้เป็นกาเลนะธรรมสากัจฉา คือการสนทนาธรรมกันตามการตามเวลาที่เหมาะสมเวลาคุยกันก็ให้คุยเรื่องธรรมะเช่นคุยเรื่องมักน้อยสันโดษคืยความยินดีในที่สงบสงัดที่วิเวกคุยกันเรื่องศีลคุยกันเรื่องสมาธิคุยกันเรื่องปัญญาคุยกันเรื่องการหลุดพ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง คุยการเรื่องการบำเพ็ญความเพียรด้วยวิรยิยะอุตสาหะเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุยกันได้เพราะเมื่อคุยกันแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังจิตกำลังใจเมื่อต่างฝ่ายต่างมีอะไรมาเล่ามาบอกกันผู้ดได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความมีความมีความกระตือรือร้น มีความที่อยากจะพะพฒน์ปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเลนะธรรมสากัดชาเอตัมมังกลมุตตมังการสนทนาธรรมกันตามการตามเวลาที่เหมาะสมที่ควรนำมาซึ่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจนี่ก็คือข้อที่เราควรที่จะ สํารวมกันไว้คือสํารวมกายและสํารวมวาจาข้อสุดท้ายในการสํารวมวาจาเรียกว่าละเว้นจากการพูดส่อเสียดผู้ส่อเสียงนี้หมายถึงการไม่พูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกสามาคีกันอย่าไปยุยงให้คนนั้นเกลียดคนนี้ยุยงให้คนนี้เกลียดคนนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวาจา ที่ควรที่จะพูดกันสำหรับผู้บาเพ็ญจิตตภาวนาผู้ต้องการที่จะชำระจิตใจของตอนเองให้สะอาดหมดจดข้อห้ามเหล่านี้ข้อละเว้นเหล่านี้เรียกว่าสินสังวรคือการสำรวมกายวาจาไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งจะนำผลอันไม่ดีกลับมาสู่จิตใจทำให้จิตใจมีความ รุ่มร้อนทำให้จิตใจมีความฟุง้งซ่านทำให้ลำบากต่อการทำจิตใจให้สงบนั่นเองนี่คือศีลสังวรส่วนเอนทรีสังวรนั้นก็หมายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปสัมผัสกั บ, กบรูปเสียงกลิ่นลดพโผฏฐะต่างๆที่จะทำให้จิตเกิดราคะขึ้นมาเกิดความหงุดเกิดความ <c oughs> เกิดความอยากความอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นให้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา 2. ให้ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วคือจะรับประทานอาหารเพื่ออยู่เท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ก็หมายถึงกินเพื่อดูแลรักษาร่างกายเหมือนกับเราเวลาเจ็บค่ายได้ป่วย เราก็กินยาเพื่อระงับโครคภัยไข้เจ็บความหิวก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งอาหารที่เรารับประทานก็เป็นเหมือนยาอย่างหนึ่งรับประทานอาหารเพื่อรักษาโรคหิวที่มีอยู่ในกายให้มันหมดไปไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อรสชาติเพื่อความ อ, ร, อร่อยเพื่อความสุขเพื่อความสนุกสนานเฮฮานี่คือความหมายของการ สำรวมอินทรีย์คือจะดูจะดูจะฟังจะสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดถั่วชนิดใดก็ตามก็สัมผัสด้วยความระมัดระวังด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้สัมผัสด้วยกิเลสตัณหาคือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรูปในรสต่างๆอย่างนี้คือการสัมรวม ถ้าสัมผัสต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกิดตัณหาขึ้นมาภายในจิตใจเช่นรับประทานอาหารเสร็จไปยงหยกเห็นขนมกองอยู่วางอยู่ก็เกิดความหิวขึ้นมาแล้วอย่างนี้เรียกว่ากินอยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่เห็นอะไรก็อดไม่ได้อยากจะกินทั้งๆที่ท้องก็แน่นเต็มไปด้วยอาหารเพิ่งรับประทานไปหยงหยก แต่ใจมันไม่อิ่มตามท้องเท่านั้นเองเพราะกิเลสตัญหานี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตไ ม, มเมไม่มีเวลาไม่มีเวลามันมีความหิวความอยากได้ตลอดเวลาจึงต้องระมัดระวังจึงต้องตั้งกฎไว้ว่าจะไม่รับประทานอาหาร <c oughs> หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้กำจัดปัญหา เกี่ยวกับความฟุ้งซ่านของจิตนั่นเองถ้าปล่อยให้จิตกินได้ตามความต้องการแล้วมันจะไม่อยากจะภาวนามันไม่อยากจะนั่งสมาธินั่งพุทโธพุทโธไปได้สักสองสามคำเดี๋ยวพวกขนมต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาในใจก็อดที่จะตะบะแตกไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องลุกไปหาอะไรมากินการภาวนาก็ไม่เป็นไป ไปไม่ถึงไหนทักทีแต่ถ้าได้มีการกำหนดเรื่องการรับประทานอาหารไว้เช่นหลังเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รับประทานอะไรอีกจะรับประทานก็แต่พวกน้าเท่านั้นเองน้าดื่ม <c oughs> เพื่อที่จะดับกระหายทั้งนั้นก็เพียงพอส่วนพวกเรื่องอาหารของรับประทานต่างๆนั้นถือว่าพอเพียงแล้วสำหรับวันนี้ ถ้าอยากจะรับประทานอาหารอีกก็ต้องรอถึงวันรุ่งขึ้นค่อยรับประทานนี่ถ้ามีขอบเขตมีกมีกติกาไว้คอยควบคุมบังคับจิตใจแล้วจิตใจก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอยากรับประทานอะไรอีกเพราะอยากอย่างไรก็ไม่ได้รับประทานอยู่ดีเพราะเรามีอินทรีย์สังวรอยู่นั่นเอง แต่ถ้าเราไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วจิตมันก็จะกิเลสมันก็จะคอยหลอกคอยล่อเราอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็บอกว่าอันั่นดีอันี้อร่อยเดี๋ยวก็นาลายไหลเดี๋ยวก็เกิดความหิวขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของมารทั้งสิ้นเขาเรียกว่ากิเลสมารมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําลายความพยายามที่ดีของเราที่จะทําจิตใจให้สงบให้จิตใจนั้นมีความ ร่มเย็นเป็นสุดนี่คือสิ่งที่กิเลสจะไม่ให้เกิดขึ้นในใจจะต้องสร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจอยู่ร่ำไปดังนั้นเราจึงต้องสำรวมอินทรีย์ด้วยการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้าอยากจะปฏิบัติให้เข่งคัดยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ถือการรับประทานอาหาร เพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเช่นวันนี้จะรับประทานอาหารเพียงมือเดียวรับตอนเช้าแล้วก็จบรับตอนเที่ยงแล้วก็จบจะเอาตอนไหนสักตอนหนึ่งก็ได้มันจะได้หมดปัญหาไปเพราะท้องมันก็มีขนาดเดียวรับประทานอาหารเข้าไปให้มันพอกับความต้องการของท้องแล้วมันก็หมดปัญหาไปความหิวที่เกิดขึ้นภายหลังนี้มันเป็นความหิวที่เกิดขึ้นจากตันหา เกิดจากกิเลสทั้งสิน้นจึงไม่ต้องไปกังวลว่าจะตายรับรองได้ว่าถ้าได้รับประทานอาหารวันละหนึ่งมือแล้วร่างกายจะอยู่ได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก พ, พระครูบาจารย์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยนี้ก็สอง0้ากว่าปีแล้วก็ไม่เคยมีข่าวว่าพระอดตายเพราะ เพราะตายเพราะอดข้าวเพราะกิดข้าวมื้อเดียวอย่างนี้ก็ไม่เคยปรากฏได้ยินเป็นข่าวมาส่วนใหญ่จะได้ข่าวจากคนที่กินมากๆแล้วตายซื้อมากกว่าตายเพราะโรคเบาหวานตายเพราะโรคความอ้วนต่างๆนี้ต่างหาที่เป็นเหตุที่ทำให้คนตายก่อนเวลาตายก่อนเวลาที่ควรจะไปนะดังนั้นจึงขอให้เราต้องมีความแน่วแน่เด็ดขาดถ้าเราอยากจะปฏิบัต จเจริญบำเพ็ญภาวนาจิตใจต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความอดทนต้องมีความกล้ า, าหาญแล้วเราจะได้สิ่งที่วิเศษที่เราไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เรายังไม่เคยทำให้มันปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นจึงขอให้ฝึกไว้พยาปฏิบัติให้ได้ นอกจากการละเว้นจากการัะปะทหารหลังจากเที่ยมวันไปแล้วก็ให้ <c oughs> ละเว้นจากการใช้เครื่องสำอางต่างๆเช่นเครื่องน้ำหอมแป้งอะไรต่างๆที่มาใช้แต่งหน้าทาปากแล้วก็ให้ใส่เสื้อผ้าแบบเรียบร้อยคือไม่ใช่มีสีฉูดฉาด เพราะเราไม่ต้องการความสุขจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองเรามีร่างกายเราก็ดูแลรักษามันด้วยการอาบน้ำอาบท่าถูสบู่ก็เพียงพอแล้วต้องร่างกายต้องมีเสื้อผ้าปกปิดก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ชุดธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเป็นชุดที่หรูหราเลื่อนรถเพราะเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่วัดเราก็ เราก็ไม่ได้ต้องไปอวดความสวยงามของเสื้อผ้าอาภรั่ต่างๆก็ไม่ควรที่จะต้องมากังวลกับเรื่องเหล่านี้เรื่องการแต่งกายแต่งหน้าแต่งตัวด้วยเครื่องสําอางด้วยน้ําหอมต่างๆอันนี้เราก็จะละเว้นมันไปพร้อมทั้งละเว้นจากการแสวงหาความสุขจากเครื่องบันเทิงทั้งหลาย เช่นดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่เราไม่พิงที่ <c oughs> จะไปกระทำเพราะมันจะทำให้การบาเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบนั้นเป็นไปได้ยากนั่นเองเพราะมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันจิตใจต้องการความสงบจิตใจก็ต้องไม่มีการกระทำต่างๆ พราะเมื่อกระทาไปแล้วมันก็จะทําให้จิตใจนั้นเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาดังนั้นเราก็จะต้องละเว้นจากสิ่งเหล่านี้คือไม่สแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกฤฤฤฤฤิรลดโผฏฐพะเราจะมาสแสวงหาความสุขจากการทําจิตใจของเราให้สงบนี่ถ้าเรามีทั้งศีลสังวรและอินทรีย์สังวร อยู่แล้วจิตใจของเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ง่ายนอกจากการที่ไม่แสวงหาความสุขจากการดูการฟังแล้วยังไม่หายังไม่ให้แสวงหาความสุขจากการนอนหลับด้วยคือนอนก็ให้นอนเท่าที่ร่างกายต้องการนอนบนพื้นแข็งๆปูเสื่อก็พอแล้ว ไม่ต้องนอนบนฟูกบนเตียงที่มีฟูกหนาๆ น, นอนแล้วอยากจะหลับเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้จะทำให้เสียเวลาต่อการบาเพ็ญถ้านอนอยู่บนพืชแข็งๆปู ด, ด้วยเสือ่อหรือได้เพรดด้วยผ้าเวลาร่างกายรู้สึกเหนื่อยอยากจะพักมันก็จะนอนหลับได้อย่างง่ายดายแล้วมันก็เมื่อมันได้รับการพักที่พอแล้ว มันก็จะตดินขึ้นมา ท, าทันทีมันไม่เหมือนกับนอนบนฟูกถ้านอนบนฟูกแล้วมันจะเลยเถิดเลยความจำเป็นของการพักของร่างกายเพราะมันมีความติดอกติดใจในความสุขจากในการนอนนั่นเองถ้านอนบนฟูกแล้วมันจะนอนไปนานแต่ถ้านอนบนพื้นธรรมดาปูเสือ่อมันจะนอนไม่นาน เพียงส4ี่ชั่วโมงมันก็พอแล้ว <c oughs> นี่คือการสํารวมสํารวมกายวาจาที่เรียกว่าสีสังวรและสํารวมตาหูจมูกลิ้งกายที่เรียกว่าอินทรีสังวรซึ่งจะเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยการบำเพ็ญของเราให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นดีงาม ด้วยความง่ายดายจะทําให้เราไม่ท้อแท้ต่อการบําเพ็ญจิตภาวนาแต่ถ้าเราไม่มี <c oughs> อินทรีย์สังวรและศีลสังวรแล้วเวลาเราบําเพ็ญไปแล้วมันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมามันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกําลังจิต <c oughs> กําลังใจที่จะ บำเพ็ญต่อไปดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนา <c oughs> ก็ขอให้เรา <c oughs> ให้ความสําคัญต่อสถานที่คือเลือกสถานที่ที่สงบสงัดเ <c oughs> มื่อได้สถานที่สงบสงัดดีแล้วก็ให้มีศีลสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาให้มีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย นอกจากนั้นก็ต้องระมัดระวังคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจจะปฏิบัติธรรมหรือไม่เขามีศีลสังวรหรือไม่เขามีอินทรีสังวรหรือไม่ถ้าไปเจอคนที่ชอบคุยเดี๋ยวก็จะชวนคุยไปทั้งวันหรือบางคนที่ชอบแอบรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือแอบรับประทานขนม หรือแอบกระทำอะไรที่ไม่ควรจะกระทำถ้าเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปเข้าใกล้อย่าไปคบค้าสมาคมด้วยเดี๋ยวเขาจะชวนให้เราต้องเสียไปด้วยหรือเวลาที่เราบาเพ็ญสมมุติว่าถ้าเราไม่สามารถมาที่วัดได้เราอยากจะบาเพ็ญที่บ้านอย่างนี้ก็จะลําบากเพราะคนที่บ้านเขาไม่ได้มีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรเหมือนเรา เขารับประทานอาหารเย็นกันเขาเปิดโทรทัศน์ดูกันเขาเปิดวิทยุฟังกันเดี๋ยวเวลาเขารับประทานอาหารเขาก็ต้องมาชวนเราไปรับประทานอาหารถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งเดี๋ยวเราก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปรับประทานกับเขา <c oughs> ดังนั้นเวลาบงเพ็ญจึงควรที่จะหาสถานที่ที่เหมาะหาบุคคลที่เหมาะสม ือบุคคลที่มีความคิดคล้ายกันบุคคลที่มีการปฏิบัติเหมือนอนกันเพราะถ้า <c oughs> เป็นคนที่มีความคิดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันก็จะช่วยกันสนับสนุนกันเช่นเราเกิดความย่อท้อขึ้นมาเขายัางไม่ย่อท้อเขาก็จะช่วยเราชวนเราให้กำลังใจกับเราเขาก็จะประพฤติตัวเขาให้เป็นตัวอย่างกับเรา ทำให้เราเกิดกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปเช่นสมมุติเรานั่งสมาธิอยู่ได้สักพักหนึ่งเราก็เกิดความเจ็บความปวดอยากจะลุกขึ้นแต่เพื่อนของเราเขายังนั่งอยู่ต่อไปมันก็จะทำให้เราเกิดความมุมาทะที่จ ะ, จะอยากจะนั่งต่อไปเหมือนกับเขานี่นี่คือลักษณะที่ได้ <c oughs> ได้เพื่อนที่ดีในในการปฏิบัติทำให้ช่วยกันได้แต่ถ้าไปได้เพื่อนที่อ่อนแอไม่มีความอดทนพอเขานั่งได้สักห้า น, นาทีเขาก็ลุกแล้วเดินหนีไปแล้วเดี๋ยวเรานั่งอยู่คนเดียวเราก็ตกดรู้สึกความว้าเหวขึ้นมาก็อดรนทนที่จะนั่งต่อไปไม่ได้ก็ลุกต่างเขาไปดังนั้นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย เวลาที่เราปฏิบัติก็สําคัญเหมือนกันขอให้เราสังเกตให้ดีว่าคนที่เราใกล้ชิดหรือต้องคบค้าสมาคมด้วยนั้น <c oughs> เขาเป็นอย่างไรถ้าเขาเป็นคนที่อ่อนแอไม่มีความกล้าหาญไม่มีความอดทนไม่มีความแ น, วแน่วแน่ต่อการประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เราก็ควรที่จะถอยห่างจากเขาไปดีกว่าเสียเขาดีกว่าเสียธรรมะ เพื่อ น, นั้นมีหาได้เยอะแยะไปในโลกนี้คนมีเป็นร้อยล้านพันล้านคนในโลกนี้หาไม่ยากหรอกคนแต่สิ่งที่หายากก็คือธรรมะนี่องการทําจิตใจให้สงบนี้เป็นสิ่งที่ยากมากถ้าไม่ทุ่มเทกําลังจิตกําลังใจแล้วแล้วก็จะไม่สามารถที่จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบในจิตใจได้เลยเพราะว่า แม้กระทั่งขณะที่เรานั่งทําสมาธิไปนั้นบางทีจิตใจมันก็ยังไม่อยู่กับงานที่เราให้มันทําบางทีมันก็แวบไปแวบมาทําให้นั่งไปสักระยะหนึ่งก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายต่างๆแล้วจิตใจก็เริ่มเกิดความพะวกรวกเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บความปวดทําให้ไม่สามารถมีสมาธิอยู่กับการภาวนาได้ต่อไป ก็จะไม่สามารถทนนั่งอยู่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีความแน่ว แ, แน่มั่นคงเวลานั่งก็พยายามให้จิตอยู่กับการภาวนาไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานาให้มสีสติและเลือกรู้อยู่กับงานที่กำหนดให้จิตกระทำถ้าจิตบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไปไเรื่อย แม้ร่างกายจะเกิดมีการรู้สึกคันตรงนั้นหรือคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้บริกรรมอยู่กับคำํำบริกรรมอยู่ต่อไปเกิดความรู้สึกว่าร่างกายเอ็นไปข้างหน้าหรือเอ็นไปข้างหลังเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้น ตัปกติร่างกายมันก็เป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปสนใจขอให้ตั้งหน้าตั้งตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยแม้ขณะที่มีความรู้สึกว่าเจ็บกรงนั้นปวดตรนี้ก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บความปวดพอถ้าเมื่อไปให้ความสนใจกับความเจ็บความปวดแล้วความเจ็บความปวดเหล่านั้นมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าทีเดียว เพราะมันเป็นความเจ็บความปวดที่ใจสร้างขึ้นมาซ้อนไป อ, อีกชั้นหนึ่งเป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปหรือความอยากที่จะลุกหนีจากความเจ็บปวดนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวของความเจ็บปวดตั้งหน้าตั้งตาบริกรรมพุทโธให้ถี่ยิ่งขึ้นไปแปบบว่าฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทโธเลย จะเป็นจะตายอย่างไรจะเจ็บอย่างไรก็ไม่สนใจขอให้จิตเราเลิอกอยู่แต่คําว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้แล้วไม่ช้าก็เร็วพุทโธก็จะพาเราทะลุไอความเจ็บปวดของร่างกายนั้นไปได้อย่างสบายความเจ็บปวดก็จะหายไปจิตก็จะรวมลวงเป็นหนึ่งเลยเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ปัญหาของคนของนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เมื่อปฏิบัติแล้วไปไม่ถึงไหนก็เพราะตรงนี้แหละพอมาเจอความเจ็บความปวดข้าวแล้วก็ทนไม่ไหวต้องลุกต้องขยับไปอย่าไปขยับถ้าขยับแล้วมันก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เวลามันเจ็บมันปวดนั้นปล่อยให้มันเจ็บมันปวดไปมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เดี๋ยวถึงเวลามันก็ดับของมันเองได้ เราไม่ต้องไปทำอะไรมันมันไม่ฆ่าเราหลอกความเจ็บปวดแบบนี้เดี๋ยวถึงเวลามันก็หายไปเองหรือถ้ามันไม่หายจิตปล่อยวางจิตรวมลงมันก็หายไปจากจิตจากใจขอให้เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยภาวนาบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยอย่าไปสนใจเป็นอันขาดเพราะถ้าเราไปสนใจกับความเจ็บความปวดแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสีย สมาธิไม่มีกำลังใจที่จะภาวนาต่อไปแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาในที่สุดภาวนามากี่ข้างเกี่หนก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ทุกทีไม่เคยได้รับผลที่พึงจะได้รับเลยเพราะความกลัวความเจ็บปวดความอยากที่ให้อยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปดังนั้นเราต้องไม่ต้องไปกลัวความเจ็บปวดปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน คนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บด้วยกันทงนั้นในที่สุดเวลาตายมันก็ต้องเจ็บเหมือนกันเพียงแต่นั่งสมาธิแค่นี้มันทำไมต้องบ ก, กูวมันกับความเจ็บปวดขนาดนี้มันไม่สามารถทำให้เราตายได้หรอกถ้าเรามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนแล้วมีสติให้รู้อยู่กับคงบริการมพุโธไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เห็นผล น, นันประเสริฐ ที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราทำให้เรานั้นมีความสุขมีความอิ่มมีความพอทำให้เรามีความเชื่อมั่นมีความแน่วแน่ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงหรือไม่ พระสงฆ์อริยะสงสาวุทั้งหลายนั้นมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะไม่พวนวิสัยจากของเราจากการปฏิบัติของเราไปได้เราจะรู้อยู่แก่ใจของเราเลยทีเดียวเมื่อจิตของเรานั้นได้รวมนวมเข้าสู่ความสงบจึงอยากให้ท่านทั้งหลายจงมีความมุ่มานะมีความเชื่อมั่นว่าการบาเพ็ญจิตภาวนานี่แหละเป็นบุญที่ใหญ่หลวงที่สุด เป็นบุญที่เราสามารถสร้างขึ้นมาให้กับตัวเราได้เองในภพนี้ชาตินี้ไม่ต้องรอพบหน้าชาติหน้าไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาสั่งมาสอนเราเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระองค์นี้ก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ขอให้เราน้อมเข้ามาโอปัญญายโกทํทำให้มันเป็นสันทิติโกขึ้นมาด้วยการปฏิบัติบาเพ็ญจิตตภาวนา พยายามทำให้มากๆทำอยู่เรื่อยๆทำแล้วยังไม่ได้ผลก็ไม่ต้องท้อแท้ทำมันไปเรื่อยๆเหมือนกับการทำอะไรต่างๆเวลาทำใหม่ๆมันก็จะรู้สึกว่ายากเพราะเราไม่ถนัดนั่นเองแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถทำได้สำเร็จได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จย่อมอยู่ที่นั่น เพยงอยากให้ท่านทั้งหลายจงน้อมเอาสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นําเอาไปพิจิตพิจารณาและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะของกําลังแห่งสติปัญญากําลังแห่งศรัทธากําลังแห่งวิริยะความรู้สาขความภาคเพียรแล้วท่านจะได้รับผลอันดีงามที่พระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เลิศที่วิเศษที่สุดนั่นก็คือความสบบสุขของจิตใจสุขใดในโลกนี้นั้นไม่มีสุขอันใด